ข้อสังเกตข้อที่หกพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ละเลยคนที่ได้อโอกาสถือว่าทุกคนเป็นเวไนคือผู้ที่ฝึกอบรมได้มหาโคสิงคาสาลสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่าโคสิงคาสาละรมรื่นสงบสงัดดีเหลือเกินพระเทระหลายรูปมีพระสารีบุตรพระมหากัสสปะเป็นต้นสนทนากัน พระสารีบุตรตั้งคำถามว่าป่าที่น่ารื่นรมเหมาะที่พระเช่นใดจะอยู่พระเทระแต่ละรูปเอาคุณสมบัติที่ตัวมีเป็นเกณฑ์วัดพระมาหากระสปะซึ่งเป็นผู้ถือทุดงเป็นวัดสันโดษอยู่อย่างปอนปอนก็ว่าพระที่มีลักษณะอย่างนี้ควรอยู่ป่านี้พระอนุรุทธะผู้เป็นเลิ่ทางทิพยจักสุ ก็บอกว่าพระที่ได้ทิพยจักสุควรอยู่ป่านี้พระอานนท์เลิดทางพระหูสูตรก็บอกว่าพระที่เป็นพระหูสูตรควรจะอยู่ป่านี้พระเรวตตผู้ชอบหลีกเร้นเข้าฌานสมาบัติก็บอกว่าพระเช่นนี้ควรอยู่ป่านี้พระมหาโมคลานะตอบว่าควรที่พระสองรูปจะอยู่ด้วยกัน สนทนาพระอภิธรรมกันตลอดไม่หยุดพักเลยพระสารีบุตรไม่เห็นด้วยในทัศนะของท่านท่านว่าพระที่ยังจิตให้อยู่ในอำนาจได้อยากจะเข้าสมาบัติเวลาใดก็ทำได้ทันทีควรจะอยู่ป่านี้พระเทระทั้งหกรูปไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าทัศนะของแต่ละท่านถูกโดยปริยาย แต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะแต่ละท่านวางเกณฑ์ไว้สูงเกินไปผู้ที่มีความพร้อมอย่างนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ป่าที่เป็นสปายะเช่นนี้ควรที่พระธรรมดาธรรมดาจะอยู่บำเพ็ญเพียรทางจิตภิกษุปุตุชนในศาสนานี้กลับจากบินทบาทใช้เวลาหลังพัดคือหลังอาหารแล้วนั่งคูบรลัง ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าว่าจิตของเรายัางไม่หมดความยึดมั่นยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะตราบใดเราจะไม่ทำลายบัลลังคือไม่ยอมลุกตราบนั้นป่าโคสิงคสาัรวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้ข้อสังเกตข้อที่เจ พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดนักสอนคนอนุตตรบุริษธรรมสารทิกนวิธีการสอนที่ทรงใช้บ่อยคือยกสภาวะแวดล้อมใกล้ตัวขึ้นมาเปรียบเทียบจะเรียกว่าใช้เป็นสื่อการสอนก็ได้สิ่งหนึ่งที่เห็นบ่อยๆในอินเดียคือโคโคเป็นอุปกรณ์สำหรับนำมาสอนพระสาวกและประชาชนบ่อยครั้งเช่น คนโง่ย่อมแก่เปล่าเหมือนโคถึกจเจริญแต่เนื้อหนังมังสาแต่ปัญญาหาจเจริญไม่เด็กเลี้ยงโคต้อนโคไปหากินชราและมรณะก็ไล่ต้อนอายุคนเช่นนั้นโคจ่าฝูงนำลูกฝูงข้าแม่น้ำถ้าจ่าฝูงเดินคตฝูงโคก็เดินคตตามผู้นำไม่ดี ประชาชนก็ไม่ดีไปด้วยในมหาโกปาลสูตรได้ยกเอาคุณสมบัติของเด็กเลี้ยงโคมาเป็นตัวอย่างแก่พระสาวกอย่างน่าสนใจคือนายโคบาลที่ดีต้องรู้จักรูปพปัณฑ์ของโคเปรียบกับพระรู้จักมหาภูต ร, รูปและอุปาทายรูปรู้จักลักษณะโค เปรียบกับพระรู้จักกษณะาพานและบัณฑิตรู้จักเขี่ยไ ข, ข่ค้างคือขี้มแมลงวันที่แผลโคเปรียบพระที่รู้จักกาจัดความคิดฝ่ายอากุศลรู้ปิดแผลโคเปรียบพระรู้จักสารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักสมควัน เปรียบกับพระรู้จักแสดงธรรมให้คนฟังโดยพิสดารได้รู้จักท่าน้ำเปรียบกับพระรู้จักเข้าไปปรึกษาหารือกับผู้รู้ธรรมรู้จักน้ำดื่มเปรียบกับพระรู้อัตถารู้ธรรมะเมื่อมีผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วรู้จักทาง เปรียบกับพระรู้จักอริยมรรคมีองค์ปดรู้จักทำเลหรือโคจรเปรียบพระที่รู้จักสติปัฏฐานรู้จักฤีธนมเปรียบกับพระรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่รู้จักธนุธนอมพ่อโคผู้นำฝูงเปรียบกับพระรู้จักแสดงความเคารพนับถือพระผู้ใหญ่ที่เป็นสังฆบิดร ข้อสังเกตข้อที่8พระธรรมเทศนาสอนเด็กมีไม่มากแต่วิธีการสอนเด็กของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าน่าสนใจมากพระองค์จะตั้งคำถามง่ายๆพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบให้เด็กคิดเช่นตอนสอนเรื่องพูดเท็จทรงต้องการสอนว่าคนที่พูดเท็จประจำไม่มีความดีอะไรเหลือในตัว ทรงเอาขันตักน้ำและเททิ้งเหลือน้ำในขันหน่อยหนึ่งเทน้ำหน่อยหนึ่งทิ้งซะความขันลงงายขันเปล่าขึ้นแต่ละขั้นตอนทรงถามนำให้เด็กคิดน่าจะนำมาประยุกต์สอนธรรมะแก่เด็กอย่างยิ่งหมยเหตุผู้อา่านสำหรับเนื้อหานี้เป็นการตรัสสอนพระราหุล ข้อสังเกตข้อที่เกจากหลักฐานในพระสูตรน่าเชื่อว่าเดิมพระท่านฉันมื้อเดียวเอกาสนังเอกโพชนะแต่ไม่จำกัดเวลาฉันเวลาไหนก็ได้เวลาไปบินธบาทได้อาหารมาพอฉันแล้วก็หาที่ฉันเลยฉันเสร็จก็เดินกลับวัดพระอุทายีไปบินทบาทเวลามืดค่ำ ชาวบ้านเห็นตกใจนึกว่าผีหลอกบางคนก็ดา่าคำด่าเป็นบาลีน่าสนใจปิตาเตมาริมาตาเตมาริซึ่งแปลแล้วน่าจะตรงกับคำด่าของไทยที่ว่าพ่อมึงตายแม่มึงตายขออภัยด้วยนะครับในบทความเขียนไว้แบบนี้จริงๆ ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามฉันเวลาวิการด้วยคำแวดล้อมน่าสนใจคือจงงดเว้นการฉันในเวลาวิการในเวลากลางคืนบาลีว่ารติวิกาละโภชนังปะชะหัตถะแสดงว่าเวลาวิการหมายเอาตั้งแต่มืดไปก่อนมืดเป็นการการในที่นี้สะกดด้วยลออลิงนะครับ ก่อนมืดเป็นการฉันได้มีข้อน่าคิดในแง่วิชาการก็คือคำว่าวิการมีในสองสิกขาบทคือเข้าบ้านเวลาวิการต้องบอกลาเพื่อนปรมจันรย์ก่อนและห้ามฉันอาหารในเวลาวิการพระอัฏฐกถาจาร์ตีความไม่เหมือนกันทั้งที่สัพท์เดียวกันวิการในเรื่องการเข้าบ้าน หมเอาตั้งแต่มืดไปแล้ววิการในเรื่องฉันอาหารหมายเอาตั้งแต่เที่ยงไปแต่ในพระบาลีท่านหมเอาตั้งแต่มืดไปเหมือนกันเพราะเหตุนี้กระมังพระธิเบตจึงฉันข้าวเวลาเย็นกันส่วนการฉันสองมือนั้นเนื่องมาจากนางวิสาขาทำข้าวยาคูไว้ถวายพระเวลาเช้าก่อนออกบินธบาต พระรูปใดต้องการก็ไปฉันข้าวยาคูก่อนต่อมาก็เลยกลายมาเป็นฉันอาหารมื้อเช้าไปเรื่องนี้มีเล่าในอัฏฐกถาธรรมบทอาจเป็นเหตุการณ์ในลังกาสมัยผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้การบินธบาตไม่ใช่เพียงการไปขอข้าวชาวบ้านฉันแต่เป็นการหาโอกาสแสดงธรรมแก่ชาวบ้านด้วยเพราะฉะ น, นั้น จึงเรียกกันว่าเป็นการโปรดสัตว์ขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าการบินทบาต ท, ที่จะบริสุทธิ์ควรทำอย่างไรเช่นสำรวมไม่ให้อกุศลเกิดในใจละกรรมคุณละนิวรณเป็นต้นพูดง่ายๆว่าให้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นการฝึกตนชนิดหนึ่งด้วยหมายเหตุผู้อ่าน อีกความหมายหนึ่งของการโปรดสัตว์น่าจะเป็นแง่ที่ว่าให้โอกาสชาวบ้านได้ทำบุญได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าพระผู้ปฏิบัติดีจะมีบุญให้ชาวบ้านได้โดยมากถ้าได้ใส่บาตรกับพระที่ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมข้อสังเกตข้อที่สิบพวกพราหมณมมักมีความเชื่อฝังหัวว่า คนเก่งคนดีจะต้องมีบุคลิกดีนรลักษณ์ดีหาไม่แล้วจะไม่ยอมสนทนาด้วยบังเอิญว่าพระพุทธองค์ทรงมีคุณสมบัติเช่นนี้ครบถ้วนจึงสนทนากับพวกเขาได้สบายในหลายสูตรพราหมณมมักจะมาดูเองหรือส่งลูกศิษย์มาดูนรลักษณ์พระพุทธเจ้าก่อนจึงจะยอมสนทนาธรรมด้วยนรลักษณ์ที่สำคัญคือลิ้นใหญ่ คุยหะซ่อนอยู่ในฝักบาลีว่าโกโสหิตังวัตถุคุยหังซึ่งข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงฤทธิ์ให้เขาเห็นได้นอกจากนี้ยังดูลายเท้าด้วยดังเรื่องเล่าในอัตฐกถาธรรมบทฐรามณีผู้เชี่ยวชาญปาทาสสร์บอกไว้ว่าคนเจ้าราคะเท้าเว้ากลางคนเจ้าโทสะ เท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะเท้าจิกปลายคนหมดกิเลสเท้าเรียบเสมอข้อสังเกตข้อที่ส1บอพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ไม่กระหายสาวกไม่คำนึงว่าใครจะนับถือหรือไม่ต้องการชี้ทางสว่างแห่งชีวิตแก่เขาเป็นที่ตั้งพระสูตรหลายแห่ง เล่าถึงสาวกคนสำคัญของศาสนาเช่นศีหะเสนาบดีที่มาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสอยากจะทิ้งศาสนาเดิมของตนมานับถือพระพุทธศาสนาแทนที่พระพุทธองค์จะรีบรับกลับตรัสให้เขาคิดให้ดีก่อนตั้งสามครั้งสร้างความประหลาดใจให้แก่ศีหะเสนาบดีมากถึงกับอุทานว่า เมื่อสมัยเข้ามานับถือศาสนาเชนใหม่ๆพวกเขาถือธงเที่ยวประกาศทั่วเมืองภัยาลีว่าคนสำคัญเช่นเสนาบดีนับถือศาสนาเชนของเราแล้วแต่พระพุทธองค์กลับตรัสเตือนว่าคิดดูให้ดีก่อนในหมู่พระสงฆ์สาวกพระพุทธองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นกัลยาณมิตรที่ดี คอยประธานโอวาทแนะนำไม่ใช่คุมอำนาจสั่งการทรงเปิดโอกาสให้สาวกวิภาควิจารณ์ตรวจสอบพระองค์ได้ดังในวีมังสกัสูตรและปะวารณาสูตรเป็นตัวอย่างที่ทรงทำเช่นนี้เพราะต้องการให้สาวกนับถือเคารพพระองค์เพราะคุณธรรมมากกว่าติดในบุคคลดังกรณีเตือนพระวกกะลิเป็นต้น ข้อสังเกตข้อที่สิบสองอคีวัชโคตสูตรให้แนวคิดว่าพระพุทธศาสนาอยู่กึ่งกลางระหว่างสัจสตทิฏฐิกับอุเชทะทิฏฐิอย่างไรถ้ามีคนถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดพระองค์ไม่ตอบตรงๆเพราะถ้าตอบว่าเกิดคนฟังก็จะคิดว่า อาตามันยั่งยืนนิรันดรไม่ตายถ้าตอบว่าไม่เกิดคนฟังก็จะคิดว่าอาตามันดับศูน์ไมนิรันดรพระองค์จึงตรัสตอบด้วยอุปมาว่าถ้ามีเชื้อไฟอยู่ไฟก็ลุกไหม้เมื่อเชื้อหมดไปไฟก็ดับพระอรหันท่านดับสนิทเหมือนไฟดับแต่จากอุปมานี้เอง พวกมหายานนาเอามาคิดในแง่อภิปัชยาจนได้คําตอบว่าไฟที่ดับไปแล้วยังคงอยู่ชั้นใดพระอรหันดับไปแล้วก็ตอบได้เหมือนกันว่าคงอยู่เพราะเหตุนี้ฝ่ายมหายานจึงบัญญัติความคิดเรื่องตรีกายเชื่อว่าพระพุทธเจ้านิรันดรนขึ้นเป็นการพัฒนาการเลยเส้นเดิมของเทรวาท ข้อสังเกตข้อที่สิบสามอังคุลิมาละปริตที่ชาวพุทธถือว่าเป็นมนทํทให้คลอดบุตรง่ายพระนิยมสวดในงานมงคลต่างๆนั้นบางท่านอ้างว่ามีมาแต่สมัยพุทธกาลแต่ที่จริงในพระสูตรพูดถึงพระองคุลิมานตั้งสัจจะกล่าวคาถานี้จริงหญิงมีคันหายปวดคลอดลูกด้วยความปลอดภัยจริง แต่ไม่ปรากฏว่าถือเป็นมนคลังเลยการถือคลังเรื่องปรริศต่างๆเกิดขึ้นในสมัยหลังซึ่งคงเกิดที่ประเทศลังกาแต่บางครั้งผู้แต่งหนังสือมักจะเอามาผัวพันกับสมัยพุทธกาล